น, นี้เป็นวันเข้าพรรษานะการเข้าพรรษาปี259ก็จะเริ่มต้นวันนี้แล้วก็ต่อนเนื่องไปเป็นเวลา3เดือนเช้านี้ก็จะมีพิธีกรรมเล็กน้อยนะที่ชื่อว่าอาธิษฐานพรรษาคำว่าอาธิษฐานเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าบิงวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ พวกเรามัาจะทำกันนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีหนี้มีสินเวล า, าจะทำกิจการงานบางคนนะทำวิทยานิพนธะ์ก็อยากให้เสร็จนะก็แบอธิษฐานนะขอใหอ้สำเร็จในเวล า, าที่ต้องการานั่นไม่ใช่อธิษฐานนะ ตามความหมายที่แท้จริงนะภาษาบาลีอธิษฐานนี่แปลว่าความตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่ว่านี่คือเป็นความดีนะมันตรงข้ามกับการร้องขอร้องขอคือไม่ทำอะไรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทำให้แต่อธิษฐานเนี่ยนะคือความตั้งใจมั่นความเด็ดเดี่ยว แล้วก็เมื่อตั้งใจแล้วก็จะทำให้ได้อย่างที่ได้อธิษฐานเอาไว้มันคล้ายๆกับการตั้งศัจจานะแต่สัจจในพุทธศาสนาจะในเรื่องความซื่อสัตย์ความจริงใจนะการไม่หลอกลวงอธิษฐานในความหมายที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นถือว่าเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะบารมี เพาบารมีก็ต้องอธิบายเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวนี้เราแปลว่าอับารมีหมายถึงอิทธิพลนะอย่างผู้มีบารมีเนี่ยผู้มีบารมีหมายถึงผู้มีอิทธิพลที่ผู้คนยำเกรงอาจจะเป็นเศรษฐีอาจจะเป็นนักการเมืองหรือว่าเจ้าพ่อเราเรียกว่าผู้มีบารมีนะอันนั้นไม่ใช่บารมีในในพุทธศาสนาไม่ใช่บารมีในภาษาบาลี อาจจะเป็นบารมีในภาษาไทยนะแต่ภาษาบาลีบารมีแปลว่าคุณความดีที่บาเพ็ญอย่างยิ่งยวด น, นะเพื่อจุดหมายที่สูงยิ่งหรือจุดหมายที่ดีงามบารมีคือคุณความดีที่พระพุทธสัตว์ได้บาเพ็ญจนกระทั่งได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นคืณความดีที่พระพุทธสัตว์นะี้ใส่ใจให้ความสาคัญมาก เพราะบําเพ็ญบา ร, รมีนี่แหละนะจึงทําให้ผุ้ทุชนคนธรรมดาได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าอยพระพุทธเจ้าองค์ที่เรานับถือนะทุกวันนี้เนี่ยนะโคตมัพุท ธ, ธะเนี่ยหรือพระโคดมเนี่ยพระองค์ก็บําเพ็ญบา ร, รมีมาเรียกว่านับไม่ถ้วนนะนับชาติไม่ถ้วนบา ร, รมีที่ว่าก็มีสิทประการได้แก่ทานศีลในขมะในขมะคือ การบําเพลนที่ห่างไกลาจากกามจะหมายถึงการออกบวชก็ได้หรือว่าการลดละ ก, กิเลสการครองชีพปรมจันก็ได้ปรมจันนี้ไม่ได้แปลไม่มีคู่หมายถึงว่าการที่มุ่งขัดกาวลดละ ก, กิเลสนั้นโดยการถือบวชจากเนฆามะก็คือปัญญานะแล้วก็วิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขา นะทั้งศประการนี้ถือว่าเป็นคุณความดีที่ควรกับการบาเพ็ญทั้งสิน้นะเดี๋ยวนี้เราเราลืมเรื่องบารมีไปลนะยิ่งอธิษฐานนี้เราก็ลืมไปเลยนะแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนนะว่าหมายถึงการร้องขอการตั้งจิตขอนั่นขอนีนะแล้วเนี่ยอธิษฐานเนี่ย มันมีความสำคัญอย่างไรในการเข้าบรรษานะการเข้าบรรษาเนี่ยนะั้นหมายถึงการที่มาอยู่ในอารามอยู่ในอาวาสเป็นเวลาสามเดือนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนที่มาอยู่ร่วมกันในอาวาสนั้นก็อาจจะเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนที่ามาจากภูมิหลังจากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การที่มาอยู่ร่วมกันในชุมชนในอาวาตเดียวกัน3มเดือนก็ จ, จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างมีเรื่องผิดใจกันบ้างมีความขัดแย้งกันบ้างนะหลายคนพอมีความขัดแย้งก็หนีนะไม่อยากที่จะหาทางอยู่กับความขัดแย้งหรือแก้ไขความขัดแย้งนั้นนะอีประการนึงคือว่า การเข้าบรรษาเนี่ยไม่ใช่แค่มาอยู่ร่วมกันเฉ ย, ยๆแล้วก็ไม่ใช่แค่มาอยู่ร่วมกันด้วยดีแต่มาเพื่อจะฝึกฝนขัดเกลาตนเองเริ่มตั้งแต่การอยู่ง่ายกินง่ายอย่างเช่นที่นี่เนี่ยนะก็ต้องเริ่มตั้งแต่การตื่นการนอนต้องตื่นแต่เช้าตีสามตีสามครึ่งคนที่มาบสส่วนใหญ่ก็มาจากในเมืองนะ ตื่นสายไม่คุ้กับการตื่นเช้าแล้วก็ไม่เห็นว่าการตื่นเช้ามันสำคัญอย่างไรนะตื่นเช้าในที่คือเช้าตรู่เลยนะเช้ามดืดนะก็ต้องมาฝึกกันที่นี่นะอาหารก็อาจจะไม่ถูกใจแลนะแถมยังฉันอาหารแค่มือ้อสองมือ้อนะนอกจากนั้นนะก็ยังอยู่ในเส น, นาสนะที่ไม่สะดวกสบายเท่าไหรนะ่บางกุดก็ไม่มีไฟฟ้า หรือถึงมีไฟฟ้าก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและที่สำคัญคือว่าไม่ใช่แค่มาอยู่ง่ายกินง่ายแต่ว่าต้องมาฝึกจิตฝึกใจด้วยการภาวนาเนะจริญสติทำสมาธิเนะจริญวิปัสสนาเป็นต้นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุ้นเคยนะสำหรับคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งมาบวชโดยเพราะพระนักกะแมนะ้แต่พระใหม่ก็ตามนะ อภิ ก, ก่าวก็ตามบางทีไปอยู่วัดอื่นมาวัดอื่นนั่นก็อาจจะสะดวกสบายพอมาที่นี่หรือว่ามาอยู่วัดปฏิบัติก็ต้องเจอกับความไม่คุ้นเคยทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องใช้ความเพียรพยายามคนเราเนี่ยเมื่อต้องอใช้ความเพียรแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทาให้ความเพียรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นะก็คืออธิษฐานคือความตั้งใจมั่นนะลําพังเพียงบอกว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดเนี่ยอันนั้นไม่มันไม่มีความหมายเท่าไหร่ดีนี้คนส่วนใหญ่มักจะพูดว่าเนี่ยฉันจะทําให้ดีที่สุดนะจะอยู่ได้กี่วันไม่รู้นะจะมาบวชได้กี่วันไม่รู้จะมาปฏิบัติได้กี่วันไม่รู้ฉันจะทําให้ดีที่สุดอันนี้เนี่ยมันแปลว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะ มันไม่มีความหมายเลยนะมันเป็นคําที่พูดจนกระทั่งไม่มีความหมายเปิดช่องให้กิเลสนะเปิดช่องให้ความท้อแท้เข้ามาครอบงําแต่ถ้าเราตั้งใจไว้เนี่ยฉันจะบวชให้ได้ครบสามเดือนนะฉันจะมาปฏิบัติธรรมให้ครบเจ็ดวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฉันก็จะอยู่ให้ครบนะตรงเนี้มันก็จะทําให้ความคิดที่จะถอยจะเลิกเนี่ยมั น, ม, นมันสางมันซาไปแต่ถ้ายังเปิดช่องให้ มีทางเลิกมีทางถอยนะเช่นบอกว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเนี่ยไอตัวกิเลสตัวความอ่อนแอมันก็จะหาช่องนะจะหาข้ออ้างนะปวดหัวตัวร้อนก็ไม่ไหวแล้วไม่สู้แล้วขอกลับดีกว่าบางทีก็หาข้ออ้างว่าแมนะ่แม่เหงานะแม่อยู่คนเดียวที่บ้านนะอยากจะไปช่วยดูแลแม่นะมีนะประเภทว่ามาบวชแล้วเนี่ยตั้งใจจะอยู่สามเดือนแต่พอเจอความยากลาบาก มันก็หายเหตุนะว่าเนี่ยอยากจะกลับไปเยี่ยมแม่เนะี่ยอยากกลับไปดูแลแม่เกิดรักแม่ฉับพลันนะความกตัญญูเฉียบพันมาทันทีนะเวลามาบวชเนี่ยเวลามาปฏิบัติเนี่ยบางคนก็รักลูกเฉียบพันทันทีเลยนะแต่บางคนก็เกิดรักงานขึ้นมาเนี่ยเป็นห่วงงานนะจะต้องกลับไปสาสางงานการถ้าส่วนใหญ่ก็ถ้ามาอธิษฐานนะก็จะก็จะพ่ายแพ้ต่อ กิเลสหรือว่าหลงเชื่อไอ้ข้ออ้างเหล่านั้นนะกิเลสที่มันสามารถจะสรรหาข้ออ้างสารพัดส้าเราเปิดช่องให้มันนะแต่ถ้าเราตั้งตั้งจิตอธิษฐานว่าเนี่ยฉันจะอยู่ให้ได้ครบสามเดือนฉันจะปฏิบัติให้ครบคอร์สเนี่ยนะนะเป็นการปิดช่องนะกิเลสมันก็จะอ่อนแรงนะมันจะมันจะไม่คิดหาข้ออ้างแล้วแต่มันอาจจะไปใช้วิธีการอื่นแทนนะ พุทเจ้าเนี่ยตอนที่พระองค์จะตัดสรูปเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ประสบกับความล้มเหลวนะในเรื่องการบําเพ็ญทุกขกิ ร, ริยาทรงพบ ว, ว่านั่นไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกข์เนี่ยแล้วพระองค์ก็คิดว่าทางสายกลางนี่ดีที่สุดนะแล้วก็เริ่มบาเพ็ญเพญียรพระองค์ก็ตั้งเจติธิฐานเหมือนกันนะอย่างเช่นธิฐานว่าในคืนที่จะตัดสรุปว่าแม้เลือดและเนื้อในศีรษะจะเหือดแห้งนะ แม้ว่านึกแม้ว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลือไม่จะเหลืออยู่ไม่ก็ตามนะตราบใดที่อประโยชน์อันจะบรรลุดได้ด้วยความเพียรของบุรุษนะหากยังไม่สําเร็จประโยชน์นั้นหรือว่ายังไม่รู้ประโยชน์นั้นก็คือหากยังไม่บรรลุธรรมนั้นเองเพระองค์ก็จะไม่เลิกความเพียรนะก็จะทําทความเพียรอยู่เรื่อยไปนะจนกว่าจะบรรลุนะอันนี้ไม่ใช่เป็นการทรมานตนนะ แต่ว่าเป็นความตั้งใจนะว่าจะทําให้ถึงที่สุดนะไม่ใช่บอกว่าจะทําให้ดีที่สุดนะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะเมื่อหากมั่นใจว่าวิธีวิถีทางนี้เนี่ยมันถูกต้องแน่ก็จะพุ่งไปถึงที่สุดแต่พวกเรานี่ก็ไม่ได้อธิษฐานกันถึงขนาดนั้นนะนะการเข้าราษาข้อธิษฐานเพียงว่าจะอยู่ให้ครบนะ ทั่วดใจมากคืออยู่ในอาวายครบสามเดือนไม่ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ไม่ละทิ้งอาจจะมีบ้างที่มีธุระนะไปที่อื่นนะตามพระวินัยก็อนุญาตได้นะไม่เกินเจ็ดคืนนะเรียกว่าสัตหกรณียะคือมีเหตุมีมีกิจจำเป็นที่จะต้องไปนะอันนี้ก็อนุญาตได้นะแต่ว่าจะไม่ใช่ นี้หายไปเลยนะไปแล้วกลับมานะภายในเวลาเจ็ดคืนเจ็ดวันนะเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะจึงต้องมีการอธิษฐานกันนะและที่จริงอธิษฐานเนี่ยมันก็ไม่ใช่สำหรับพระอย่างเดียวนะพวกเราญาติโยมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อธิษฐานรรษาแต่ก็ควรจะอธิษฐานนะว่าจะทำสิ่งดีๆจะหนึ่งอย่างสองอย่างก็แล้วแต่ ในพรรษานีนะ้เพราะว่าเทศกาลเข้าพรรษานี่มันเป็นเทศกาลแห่งการฝึกฝนนะเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตจิตใจได้รับสิ่งดีงามหน้าฝนเนี่ยนะฝนตกลงมาต้นไม้ก็เขียวขจีสดใสเราวควรเปิดโอกาสให้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยได้มีหน้าฝนบ้างนะก็คือว่า ได้รับสิ่งดีงามที่ช่วยทำให้ชีวิตจิตใจสดชื่นเบิกบานควรใช้เทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเสมือนหน้าฝนสำหรับชีวิตจิตใจนะทำให้ชีวิตจิตใจเนี่ยสดชื่นเบิกบานแจ่มใสโปง่งโล่งเบาสบายนะคำ ว, ว่าพรรษาเนี่ยหรือวัดษาเนี่ยนะมันก็แปลว่าฝนนะเพนะราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเพียงแค่ทำให้ เห็นว่าการเข้าบรรษาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่พิธีกรรมอย่างหนึ่งแต่ควรทำให้มันเป็นเสมือนฤดูฝนของชีวิตจิตใจเราจากที่เคยชีวิตจิตใจแห้งผากอยากกระด้างนะไร้ความสุขนะก็ทำให้ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงแห่งความสดชื่นเ บ, บิกบานเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะเย็นใจต้นไม้เนี่ยมันให้ร่มเงาที่ทำให้เราเย็นกายนะ เย็นกายในร่มไม้แต่ถ้าอยากจะเย็นใจหรือสุขใจเนี่ยนะก็ต้องอยู่ในร่มธรรมนะร่มธรรมก็คือการอยู่าภายใต้อันิสง์ของคุณงามความดีซึ่งเราก็สามารถจะเร่งบำเพ็ญได้ในช่วงข้าภรรษานีนะ้ให้เทศกาลข้าภรรศาเป็นเสมือนกับฤดูฝนนะที่ทำความชุ่มชื้นให้กับชีวิตจิตใจนะโดยการที่น้อมธรรมเข้ามาใส่ตัว น้อมถามเข้ามาใส่ตัวเนี่ยก็หมายถึงการเอาธรรมะมาช่วยนะหนึ่งขัดเกลากายวาจาใจสองเอาธรรมะนี่มาช่วยเสริมสร้างความสุขความสงบเย็นให้กับชีวิตจิตใ จ, จของเราซึ่งก็ทำได้หลายอย่างนะคนสมัยก่อนเนี่ยพอช่วงคำบรณษาเนี่ยแม้เป็นคาววะก็มาก็มารักษาศีลที่วัดนะไม่ใช่แค่ศีลท่าแต่ศีลแต่เป็นศีลแปดศีลทาก็ทาอยู่แล้วศีลแปก็หมายถึง อ่าสินที่ทำเพิ่มเติมสินห้านี้มุ่งที่การไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเองเมื่อไม่ไปเบียดเบีย น, นเขาแต่ที่เพิ่มมาสามข้อเนี่ยนะรวมทั้งข้อที่สามก็เปลี่ยนเป็นอภรัรมจริยาเนี่ยนะเป็นการมุ่งให้มีชีวิตจิตใจที่เบาสบายนะจากเดิมที่มันหมกบุนกับเรื่องการมาสุกนะ เรื่องการกินการอยู่ที่ให้อำนวยความสะดวกสบายซึ่งบางครั้งก็เป็นการตามใจกิเลสก็มาในเรื่องการอยู่ง่ายกินง่ายนะโดยเฉพาะข้อที่6เนี่ยนะวิการละโภชนาข้อที่เจ็ดนะนัจคีตะเนี่ยก็คือจะห่างไกลจากสิ่งที่จะมาปนเปนืป้อนนะความสุขทางการนะให้น้อยลงนะการประดับประดาการร้องเพลงการละเล่นนะ รวมทั้งข้อที่สามอภิมจริยาด้วยการนี้เราจะใช้ช่วงคําบรรษาี่ในการฝึกฝนด้วยการรักษาศีลห้เขรม่องวดก็ได้หรือว่าถ้าเราอ า, อาจจะไม่ถนัดนะเพราะเราต้องทำมาหากินเราก็อาจจะฝึกอย่างอื่นก็ได้ฝึกที่ว่านี่คือฝึกในเรื่องของพฤติกรรมและนิสัยนะพฤติกรรมนะบางคนจจะสูบบุหรี่กินเหล้านะบางคนอาจจะ ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ติดกาแฟนะติดอบายามุขอย่างใหม่เช่นเกมออนไลน์ติดเฟซบุ๊กติดไลนนะ์ใช้เวลาไปกับมันนะวันละหลายชั่วโมงนะบางคนก็ติดะละครติดหนังซีรีส์เกาหลีนะแล้วก็รู้ว่ามันมันทำให้ชีวิตแย่ลงนอนดึกตื่นสายไม่เป็นอันทำงานสิ้นเปลืองเงินทองสุขภาพย่ำแย่นะ ก็ใช้ช่วงคำมัษาสตนี่แหละตั้งจิตนะทิฐฐานว่าเราจะเราจะเลิกเราจะละหรือเราจะลดนะที่เคยกินกาแฟาก็จ ะ, ะลดกาแฟาที่เคยสูบบุหรี่ก็อาจจะเลิกสูบบุหรี่ในช่วงคำพันสาที่เคยติด l ล n ์ติด f a c e b o o นะวันละสามสีชั่วโมงก็เหลือว่าเหลือวันละชั่วโมงอะไรเงี้ยนะที่เคยชอบบ่นนะบ่นเพื่อน ชอบนินทาเพื่อนอตั้งใจว่านในภาษานี้เราจะเราจะหยุดบนนะเราจะเลิกบน่นที่เคยชอบตําหนิเพื่อนวิจารณเพื่อนนะก็ จ, จะตั้งเจตทิฐิานว่าเราอา จ, จะเลิกไม่ได้นะหรือ บ, บางครั้งเห็นว่าการวิจารก็จําเป็นแต่เราก็จะตั้งตั้งใจว่าก่อนจะวิจารก่อนจะตําหนิเราก็จะชมตั้งก่อนนะก่อนจะตําหนิหนึ่งข้อก็จะชมสองข้อนะหาข้อชมให้ได้หาข้อดีให้ได้ นะอาจจะลดละในการทำสิ่งไม่ดีแล้วก็เพิ่มทำสิ่งดีๆมากขึ้นเช่นตั้งใจว่าทุกวันนี่จ ะ, จะเจริญสติทำสมาธิห้านะนาทีสิบนาทีก็ยังดีน้อยไม่สำคัญนะแต่ขอให้ทำทุกวันนะดีกว่าตั้งใจจะทำชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วทำได้แค่วันเดียวก็เลิกนะอันนี้ใช้ช่วงคำภาษาเนี่ยนะ ลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่มันทำความทุกข์ให้กับจิตใจทำให้ชีวิตหนักอึ้งเป็นโทษหรือว่าตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีบางคนก็ตั้งจิตว่าเนี่ยก่อนนอนก็จะฟังเทพธรรมะอ่านหนังสือธรรมะสักสิบนาทีนะยี่สิบนาทีนะหรือว่ า, าหาอุบายต่างๆเพื่อที่ทำให้ อ่าสิ่งไม่ดีในจิตใจหรือในพฤติกรรมของเราลดน้อยลงก่อนจะว่าใครนะก่อนจะระบายความโกรธออกไปก็จะนับหนึ่งถึงร้อยก่อนหรือว่าจะตามลมหายใจนะให้ได้สิบครั้งก่อนถึงค่อยพูดถึงค่อยบ่นนะถึงค่อยตัดสินใจเนี่ยเราก็สามารถจะประยุกนะเอาเอาธรรมะนะที่มันเหมาะกับเราเนี่ยเหมาะกับกรณีของเราเนี่ยมา ใช้ให้อย่างจริงจังในช่วงความั่นสาสิ่งสาคัญคือทำทุกวันนะจะ ก, กี่อย่างก็แล้วแต่แค่อย่างเดียวก็ยังได้แต่ขอยทำทุกวันนะจะน้อยก็ไม่สาคัญแต่ขอยทำทุกวันและกำลังใจความมุ่งมั่นนะความเพียรก็จะเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งมันก็จะเป็นกำลังในการที่ทำความดีอย่างอื่นมากขึ้นไปอีกสุดท้ายเนี่ยอธิษฐานเนี่ยมันก็จะนาไปสู่บา ร, รมีขออ้ออื่นนะ เช่นสัจจะบารมีในขมะบารมีปัญญาบารมีนะขันติบารมีวิริยะบารมีนะรวมทั้งเมตตาอุเบกขาส่วนทานเนี่ยนะทานบารมีเราก็ทํากันเยอะแล้วแต่ว่าถ้าทําให้มันสูงขึ้นก็ยิ่งดีนะเพราะว่าบารมีก็มีหลายขั้นนะบารมีธรรมดาอุปบารมีปรมาถบารมีเช่นทานเนี่ยนะถ้า บริจาคสิ่งของเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็เรียกว่าทานบารมีเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเป็นการสละอวัยวะเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นอุปบารมีและทานอุปัปบารมีถ้าเป็นการสละชีวิตเพื่อผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าทานปรมัตถบารมีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้ให้ถือว่าช่วงคำอรรญาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเทศกาลสำหรับพระอย่างเดียวแต่เป็นเทศกาลสําหรับการฝึกตน เพื่อ น, นาความสุขความสงบเย็นมาจิตมาให้กับจิตใจนะไม่ใช่ปล่อยให้รอบตัวมันเขียวขจีแต่จิตใจเราหม่นหมองเหี่ยวแห้งหนักอึ้งนะอันนี้ก็จะว่าเสียประโยชน์นะของการที่ได้มาเป็นชาวพุทธได้ม า, าได้เข้าล่วงเข้ามาสู่เทศกาลเข้าบรรษาแล้วปล่อยให้เทศกาลดีๆนั้นผ่านเลยไปเอาละ เดี๋ยวก็จะทำพิธีกรรมนอธิษฐานพรรษานะก็จะเป็นคําคำกล่าวสั้นๆนะว่าอิมัสมิงอวศัยอิมังเตมาสังวะสังอุเปมิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าเนี่ยอธิษฐานว่าจะอยู่ในอววาสนะครบท่้นสามเดือนนะภาพเรามีเยอะนะแต่ว่าเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะอธิษฐานกันตามตามพรรษานะพรรษาเดียวกันก็อธิษฐานร่วมกันพร้อมกัน